วิธีที่เรานึกถึงคนอื่นมีผลกระทบต่อวิธีที่เขาจะคิดถึงเราทุกคนเป็นตัวแปรให้เกิดอนาคตจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตเข้มข้นไปในทางใดอนาคตก็ถูกดัดแปลงไปนในทางนั้นแต่ละคนเป็นฟันเฟืองที่ใหญ่เล็กต่างกันก็จริงแต่แม้ฟันเฟืองขนาดเล็กที่สุดก็ถูกวางตำแหน่งไว้อย่างมีหน้าที่ และมีผลกระทบต่อฟันเฟืองใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับตนไม่มีฟันเฟืองใดในกลจักใดที่ไร้ความหมายการแผ่เมตตาแบบพุทธเป็นข้อพิสูจน์ที่รู้เฉพาะตนว่าวิธีที่เรานึกถึงคนอื่นมีผลกระทบต่อวิธีที่เขาจะคิดถึงเราเมื่อใดก็ตามที่จิตความเป็นกุศลหนักแน่น เช่นหลังสวดอิติปิโสหลังนั่งสมาธิหรือหลังเดินจงกรมหากอาศัยจิตแบบนั้นน้อมนึกถึงศัตรูศัตรูในใจเราจะดูเป็นมิตรมากขึ้นถ้าทำต่อเนื่องไม่เกินสามวันก็จะเห็นผลเกิดขึ้นในความจริงด้วยเช่นท่าทีของเขาหรือเธออ่อนโยนลงดูเหมือนเขาหรือเธอมีกกะใจพูดกับเราในทางดีขึ้น ในทางตรงข้ามสุดขั้วเมื่อใดก็ตามที่ระดับความอาฆาตแค้นเข้มข้นสูงสุดแล้วครุนคิดทำลายล้างหรือสาบแช่งใครเขาจะดูเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งในใจและดูแล้วที่สุดในโลกสำหรับเรามากขึ้นทุกวันแต่ละคนมาปรากฏเป็นมโนภาพในใจคุณด้วยใบหน้าน้ำเสียงและวิธีแสดงออกของเขาแต่ตัวการสร้างจินตนาการ ให้เขาเป็นมิตรหรือศัตรูคือวิธีคิดของคุณเองสายสัมพันธ์ก็จะค่อยๆก่ อ, อตัวขึ้นเข้มข้นตามวิธีต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันไม่ว่าจะเป็นไปในทางเกื้อกูลในทางแกงแย่งจริงดีในทางเป็นครอบครัวเดียวกันในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อกันกรรมเก่าบรรดาให้ใจไหลไปทางหนึ่งได้แต่กรรมใหม่ ก็หักเหให้เบี่ยงไปอีกทางได้เช่นกัน